ข่าขาสีล้านจีแท่านเอาคืนเ่าสีนี้นะแต่รอรายคืน่าอะไรับท่านหารองวีคนข่ากับท่านใหญ่เาก็เยงมีพวกข่าเหวี่ยงแค่คืนานองไม่จุดจอดแล้วใจองเราอยดี เราบองสัตว์ที่ต่างชาติหนึ่งตั้งแวงว่เกี่านอม่ชอบกิน่ชอบอกไม้กินกลินหต่ชอบทั้สกอมนยแต่ท้งางทีทั้งสกสุกโคตรนัหามบ ยืนดีใจดีงานดีเงินดีใจดีถ้ามีทั้งเงาทั้งเงินถ้ามีีมีคินเท่ากันเท่าใจดีที่สุดโอ้ยถ้ามีทั้งเงาทั้งเงรนเงินหยุดออกไปจับออกไปจับที่มันดีนอาศัยอาศัยกระดาษ ขอางหันมันเป็นดาบม่รั้งม่รังผ้งดาบมันเจอสงเดียวกันทางไหนมันจะเจ้ามันจะหาข้างหันันหาข้างหันแต่เม่อไหร่มเจอแล้วเนอยขางหันไหนไม่มาอย่จุดข้างเดียวจะเทนองเดียวกันทำงานผู้เป้าจะเป็นท้องมือเดินจะเสียดีเสีนื แยากิตั้งองเราตั้งตาตาตาตาใจจิตใจจิตใจใจมีมีแฉะมีเมสียมีใจเห็นรสนาตต้องอดทันมันต่อพัอยู่เลยนะม า, ย, ถถ า, ย, ะา ย, ะยินดีมีเพิ่มขาเกี่ยวเพิ่มนะเก่กันดีหนังเพลงต่างๆเลยว่าใจจิตรสชาติจใจเรายินดี เราจะเกี to, uh, pick, uh, pick ship, uh, ่ยวแบบนี้เราจเกวกระบอกสัที่ชอบทั้งนี้ทั้งน้แต่ถ้าเราอยากถก้่อี้ติดใจอยิดอะไรอาบอะไรทำบ่อยๆใจถือใจขอิต่วตามัวนเสื่อไ่ติดจะหนักขึ้นยัที่กา มีคุณค่ามีจริงคุณค่าได้แต่ทางนี้มคุณค่าหรือคุณค่ามันจะมีคุณค่าหรือไม่ทอยู่ในป่าถึงจะมีเงินใจถึงงานทำไหนมีใจมีขนาดไหนนันก็เป็นผลเป็นประโยชน์อะไรใช่ไหลมพัดมาอยู่ในป่าดังนี้ก็มียกมื พถ้านป่แบน้น่งาดเราตัดเอาตักไเ็ไมต่างต่างทำให้เราอยู่็นโต็นเตี้ยนหนา็นเก้าคนข้าพมัน้ะหาขึ้นมีขึ้นนีอยู่ใจขเรากับคนืเียกันอะสุนเอาได้กระเด็น้อา เขาทุกข์เพีเรลื่มหลง เ, เคยเพลียเพลียเคยเนือยหนาแต่เก่าก่อ น, นเม่ว่าที่เขาจะเห่าหรือสาวโยงหนื่นอา ย, ยาวเห่าตอนที่ทุกข์จึงจิตจิตไปชอบปจิตไปิตไปงต่างๆมันเป็นเถ่อเป็นทุกข์เป็นหนแลหนประโยชน์มห้เรายลงไหเหาเหายลงไหลแเราเลื่อนไม ราเกบเธอมายินดาเป็นใจอต่เราที่โดนมาอย่างนี้ไปถามเพื่อดูกระเป๋าเสือผ้ากขะเปางนทองตางีเรายสว้ไมเห็นไม่ว่าเป็นของของเนะขาเราเขายินดีกราไหมเขาไม่รู้รือเปล่าธอม่ได้ เป็หนึ่งเราหัมาได้เราหันเราหันก็เป็นหนึงของเราหัหันจาเขาไม่นด้แต่ผของเขาถ้เราก็หลงไปลงถ้าเรากปดลงลงหนึเราจะเป็นทุกข์เรากาหลงเหลวทั้งใจยิ่กอดยิ่งใจอาศัยย่งหลงเหลวอะไรก็ยืงเป็นทุกข์ใจก็ใหญ่หนงเราจ มีทจิตใจงเราเไห้เกาะเยเามีเลื่องในตือจะส่วนหนังส่วนหนังส่วนนังตนจตนนเพราะธาตอาศัยจิตใทั้งสคือหไ่างสท้องีนจีที่อาศัยอยที่ ใจาความปวปวดอกใจแตกต่างมีธาตุหาอาศัยปัจจัยทั้งสี่อย่างต่ปัจจัยทั้งสี่หเหล่นหนาน้ยังพัดจิตัดใจยังีจิตใจไปหลงไหลยึดถือจนจนเหตุจนผลขาดธาตุแห่งม่อยู่้าใครหิมะ ยายาแล้ว่าจะอาศัยถากถันไนความดีต่อไปนิจใจจาเราห่างนะเรือรั่วหาไม่จุดหน้าขามือจะเชงตายจะไ่ถึฝั่งนิจใจอาศัยยึดยาเรือไปยึดน้ำ้งไหลไปเรือออก ไปจึงต่าแลไมให้ไม่หาเหารือไปไปจึงต่าเรือประโยชน์จะไม่จึงขาดจะเราเรจะหาปรยนไปยน์เขาจะจึงหนคนดีาา่ยหาค่อยหาเรือไปจอดที้งไ้่เา เ, าาา เ, แบบเ้ามานาาาวทานี่นนนที่จทมันทพิ ถือไปจนเรือสะสมถนัดจะถือไปคือการเมฉุกยุทธ์ปะก็ทำเงินเไนดนัก็ทำงูรักษาอไปนทเป็นเียวัาไป่ทาิดในจิตจเหมือนพวกเราอเอเอยึดไว้ถือไว้ หตยใจเป็นนหด้ดงหองม้วจะมวันเที่จะทา ใ, ใจเลยห น, น, นเลยหมดมนอาพัห้ใหยหมดะีทาีจะไปถืเ้เอนาไว้ จะไปตกหนเป็นบ่อเดินหลาเดินต่อที่ไหนจริงๆควรรักษาใจของเราทำใจของเราให้สวายไสวโดยอัปทานคำสอนค้าอย่างเช่ังนี้ใจใจสิ้นสิ้ไดวงจิตตาายโดยยังผลให้หยุยุดใจไม่ได้ใจให้หยุดใจก็เหน อย่กไปจุดข้อในความสิ่งต่าเอาทำบริกรรมวุฑโปวุฑโปอยู่นะอย่จุดไปเกี่ยวข้องเก็ทยคันกับอะรไม่จัเก็บหน้าพานรน้าสเหตุไปทางไหน่ไหมอย่าเราอ่าไปเกี่ยวข้องในสุดหมดไปเองหมดไปเองลราบริกรรมอยนะอยจุดจับทำบริกรมเป็นเรื่องกัน ยมโมเป็นเงีนยงได้เสียงใจสะดวกสบายของจิตของยใจทำใจเงี่ ย, นนยนใจยเป็เงี่ยเป็นเงี่งไหาดายเป็นี่ยงไ้ที่เกิดมตรแ่สังเกิดเสียงวาายิตแ่เคยคบเคยเห็นเคเจอรู้มาก่อนทำเบาใจเบาใจเกิดขึ้น แต่เราดูเราเห็นอยู่ที่ อ, อานนี้เองทั้งการจะทำมัำเนเพ่นเด่าวนามีคว า, ามสุมีความสบามารากษาความสกขทั่วไปโลกคือคือเห็นที่จมวะจึงจะทับใปเลยอย่างนหัวในติดข้อในเยู่ทั้งโลกอยากแตกระทำอยากแต่มันเท่นอยากจะ คนใจรู้อยู่ตลอดเวลาพราะสิ่งที่เสิ่ี่เมีคุณค่าสำหรับเราเขาจะเล่ยนย่อมเพื่อเพื่อน ม, ามาือเม้ามาีโลกหาไหม่ยังดีเรืร่องสายวานั่งดีอนี้เป็นศพน่าาเป็นกทงเขาเราจะเห็ น, หนสิ่ภายในใจฝึกใจของเรา เราดีเราเห็นเราดีเราเป็นดั่งแล้วต่อพอจะหมดบ้านยาสับโลกจบไปใช่ไหมมีเห็นมันเป็นดั่งมันมีอยู่ว่าที่จะไปติดไปติดไปติดเยอะมากอย่างนี้เราเห็นอับทางอย่างที่เราดีเราเห็นเราเป็นอยู่ เอาจนดึงจนหลงจนเยทียนจนยึนถือยากสงยดสูงมีหนังดสัคืนนั้นมทองใหญ่ยืดยืดปัญหาใหญ่ยืให้จนดึงจนลงให้จนมาจนมาให้จนเตายใช่สความสบายนะใ้ นม่แอบไม่กระจัดในใจถ้าเห็นเราเป็นไม่แาบไมทำไม่เต็นอย่างนี้ความศึกษาความนัดความศึกปติบัติเหยื่งใจใช้ศึกใช้ปฏิบัตใาใช้ความถัดเาื่งน้เน่ยจะมีธรรมะสิ่ในใจที่สื่ อย่าทำนแล้วอย่าจาไปแ้วไปถามไปหาจากสถานที่ใดความสุขมีอยู่นะตนับจนะอยาข่าววอร์เลยอย่าหาควสุสที่อื่นทุกท้อนส่วนของมันคือทวามสุขในธรร ความสุขจังสุขจะปิบัตมีสุขอยู่ภายในจิตในใจทังท่านมันเป็นตัดจัดต่างสันทิปตัวเทียเองเห็นเองขสใจเองเฉพาะตัวมนตัวเหวนอหือตลาดนิ่งสาวเหนือไม่จ่าเหือรับยอดเหน มันเจนอยู่ในใของตเองใครจะเมวีจะม่เหวี่ยงใครทำให้เหวีงยุนธาไม่ว่าทนใครใจนเห่อทังสั่นเจนใจทั้งสั่นเย็นใจทั้งสั่นสุขเราจะไปหาสุขจากที่อื่นเขาทำให้เหวี่ยเด่นเดีวก่ดีหรม่ใช้ไม่ต้องมียุนธาจะไม่นี่อของหลวงเท่ น dizer, no, no, no, no. Av ี่คือใจอยู่นอกตัวใจโดต่ออาศัยอารมณ์ภายในจใจไม่อยูในธมะแต่อยู่ในธรรมะมันเรื่องใใจมันเป็นของตัวเองหนึ่งเป็นลป่านึ่เป็นใบปามีดหน่เป็นยศม่อาบไม่ใช่ทำไใชค้องหลุดคล แม่ดี้วทให้นี่มหเราอย่างาหร่เคยมีอะไรที่จะดีให้เกษียนใต้อ่กิน่าให้ใจต้องเป็นีเลย่เวลาแต่ใจหมดขี้เลวจะมีอะไะรับองให้มเป็น่ตใจตอท่าไใครจะเห็นาเราเราเห็นาอหา ไม่ยอมมาจใครี่ะทำปฏิบัติใจทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติได้เรียนได้ถยน้ามาาปฏิบัติกย่งนยิ่งยยิ่ิ่ั้งาเลยมาแ้วมาไปบจบปกอนี ยังมาตาเปลืดินับนม่ได้มันคเล่นอย่างมา่อมหลอกเลื่อนมามันจนาเราสมัยดาไม่ตาฝึกตาธรรมดาคนดูคนรู้เสดให้เกิดอีกปีนั้เก่าเกิดเม้าก็เจอคือแก่เก่าเาเม้าดื่มอเก่ามอ ไอ้ที่ยังทำก็ไม่ไปคิดปฏิบัติตายท้ตัวนั่ก็เป็นอีอย่างหนึ่งเราจะมีจิตในตไ่ตายปฏิบัตอย่างไรอยู่ตายก็พยายามตายถังตายแล้วตายถอดผ้าานอะไรายมอยู่ไหนตายถังตายไม่เอาใจมั้ยมีครถังไม่เอาใข้อ อยากดี่เนาะมีทางากแถมเขามีงเอาไปได้เขาอยากมทางที่เราจะเอามามีทั้งได้ดีทีคนหนึ่งเราอยากทำแต่เราอยากมีอะไรอยู่ก็ได้่ตเจ้าเารับหเ็ทำาที่เราส่อไปเล้วาถึงจะต่า้าถึงจะเต่าไป ทปข่งาพกับเราจะไปค่อยดูเขาเขานอยแล้วก็ไมู่ไม่ทงเรเสนห่อเต็มเลยเขาทิงอยู่ะคืดถโลกมันเป็นอยงนี้จะปะเ่อมมานมอรมันนอ่างน้น ศีลของเราใจของตนไม่สะสมวุ่นเกศงจงทำดีอาไว้ไม no yeah, ่ยอมหยุดสิ่งศป์นะตอท่านเอใ่สิ่งศิลเราฝึกอาไวตเพื่อปฏิบัติเอาไว้ใจของเราใจของเรามีวุ่เกศงือการฝึกทำเอาละใจที่ไหนะไเถอะตาเย็นก็ะเกิรมาไ้เหมือนคนศงศิ ขวัญเงนทองเงินวินนจยัยบ้านได้จะไปที่บา้านไหนที่บา้านไหนม่ก็จีบได้เนสะดวกสบายขวัญทองมีแต่ฐานที่อยู่มีตนอยู่อยู่ต้องจะออปททจะจะ อ, ะกอกเกิดต่อใจในภพชาติข้างหาหาแรงยืหลาสนามพอทํางเดียวกันเลกเกบได้ จะไปเดเ็เก <Ừ. S 2> ิดพดเกิดดาลอยจะไปเป็นหญิงเป็นชายอยากจเียนดีถนัดไม่จไปถึงเมื่อเรามีมีพลเพลินภายในจิตใจของเราาดกด็คในใจเราอยาแบบศารเราจะไปอย่างไรเมเรามีอยู่แล้ว ถึงทาหยาาเคจะทำมันเพ่มมาแ่ยังไม่ถึงจุดที่ายราอย่าีบตายเกิดไบ่เกไม่จะทที่ดีมีความสุขแต่เงแต่แล้วห้าอยากจะ่ำให้เพิ่มแตแล้วน้าเอามาเรื่องอื่นตาตาหลหิอยู่ที่อาศัยตาตาก่หคุ้มค่า เ็เกิดก mm eh? ็ไม่เกิดไปคิดทุกอย่างมาอันท้าดีเลยดเยก็เกิเป็นเกิเป็นคัตัดเป็นฐานไี้ถ้ารกาทำามสอนทคุณไปเจ้าไว้แต่ใจไปชี้ปฏิบัติแล้วต่มีความสุขความสบายตามติดไปถอะพักไอาศัยในสถานที่สุขี่สบายตามติดไ ทำอไรเรามาทนากได้มก็ไม่ไ่าไม่ทันไม่ควรเกิดอยากเกิดมีความสุาางนั้นอยากจยนเลยจหาทกระถางตรงนั้นอยากเจบะทีนี้อยากเกิดสไันวมด่กดขึ้นตรงนั้นแต่มันเ็ด เกาเทน่นคือความดีพบก่อนฉดก่อนนันหนิแต่จีบันนี่ก่เป็มไปอย่างน้นในใจเราใจเจ้าทำใจจีบเจ้าขาดหนังไม่จนีฉาดนี้าเราต้องเาี้ยใจเจ้าทำใจกีเจ้าีบัน่ทอะไรทำอะไรได้เฉยๆแต่เราเงี้ยให้อยนี่ก็อดอย่าอย่าจีบใจเจา สรนี่ไม่ดราจะทำตาทำแต่แหนถนานถ้าอยู่ดหลเวี a ่นเราเชื่มห่เราเังยากเช่เขาเท่า้าอเราจดหลัวเป็นของเราจุดเดยวจุดใหญเอาไว้หลังเราจะจุดเราก็ทำหน่อยใหเราสะสมจนมันทำดีเอาไว้ที่น เรจะเป็นอย่าไรต้อรีบตกเ่เพราะเราส่็งานมดีเอาไว้เรมปนน้็นงานวาีอยู่ใเรา่าทำอราจอยาจะเปิดจดเผื่เพื่อยเื่อพืดอยากจะเกิดจุดสับเ่อผีจะดึงดอยากจะเป็นคนีเ่อจะมั่งมอยากจะเป็นคนใช่ พยาโกคามีแตะจิตปัญญาเปลือแต่วพาเาเคทดีอมันจะเปิดมาาขี้ไหนเสงฝ่าฝนใจมือห้สนานไหนจะเริ่มทำมาานจะเปลี่ยนนไหมันมีทาให้จะสอนใจทั้งตัวจะทามันเป็ินควดีคุณคามดีนะมันจะจิตเกี่ยวข้าเอาไปเหมืนเราจิตตัว เกอ่ยวกันุษย์ั ถจของเราเราอนูม้มีจิตกมีเชื่ออย่างไรจิตเกิดขึ้นในจิตเดขึ้มนามจากจากยิาลิดขึ้นจาใจทั้งตัวมีจิดทช่พยายามหักแห้งอย่างมีจิตอย่างมีติงงางมีจิตั้น่จะออกมาทางวาตาทางตาไปารชิดดีการเสริม ความสุขคงจะลอยไม่ลอยไแล้ ว, ล, วลยไปไม่สิบไมทางสิบไม่มีทา ง, งายแต่จะออกมาทางวาใจาและมาทับการให้ทความดีแลบนั้ใจจึงเป็นเหงว่อซ้ที่วาทจะจมทับษาจมทับคิดประดิบะดูแลมันไม่ใส่น้ำดัดด่างนด ไปหิ้งจะ่อยเปอยงนี้จะเหงื่อจัะจัต่างเขียนเขียนน้ำใหเลยจ็บนีอนไปที่บเหงื่อมันมีแรงที่จะสะอาดมีใครที่เดินไปอยากไปอาบไปดื่มพระมัง เ็คนควรัดือเราจะตที่เราเป็นสัตว์ต่างๆอย่างน้นหรืออะไรท่ายาลมอีเยรอเ่อยใช่ไหมเฉยๆต้ยต้เจะานคอดะไรเอาไว้ที่อยู่ตรงนั้นจิตใจก็ตั้งอะไรทำหน้้ตาบ้านน้้ ตาบอดอยู่นี่ยตไม่ทาไม่ส่สอา่้ที่อื่นหนมไปจัะบี่ต่างกเลกไม่านหออกมา มันกินไหลมันตาใส่ถุงตาถ่ายหนอนถ่ายไหส่ตาแล้วมันมีสะอาดให้แล้วั้งเอาไว้ทันเรี้ก่นหน้าเ้าหน้าอาบหน้กินมีจิตใจให้เราขอท่านนอนเดียกันทุกคนมันก่อนนี้ทานไหลเท่าทานหัวใจเลยยืมตาใจเสีเงินกินรถ ต้องผัดอะไรหมแต่ที่มีปัถรักษาอย่ามีไร้าใสิ่งที่เกียว่เสียใจทุกท่านจะสะอาดมากท่านก็จใจจะสะอาดมากก็ถ้ า, า, า, า, าแบบถึรักษาสาวกี่ยวใจจะทำานเยอก็นจะมีมีตา่อาาิ้มตมซ้ท่านจะอยู่ในโลกนี้ซ้ำใทีท่านหน่าใจ่ใที่ใจที่สบาย มนทัขนนนะนะ ด, นะดข้อวนะแต่เราไม่เป็ น, ป น, ปนอย่างนั้นอะไรตกหล่นก็เจ็บอุ้งเท้าในเท้ามีนข้าวใช่ไหมถ้าเกคนจอหาอยากหาจนเอาเงินไปหาถูกวนเอางนี้สีนนะอยาเอาเงิน ถ ês, ้าหน่อไม่ได้กินไม่ได้ก็ต้องเลิกออกริงๆมันเหน่อยจนจังว่าจะอยู่หรเราเป็นจดสองท่นจิตจะชวนคิดเถิที่จะมารักษานะแต่สิ่งดีๆมีคุณค่าเอาไว้สิ่งใดมีเสื่อมันเสียตัวจาจัดมันออกไปใจจะสุขใจจะสบายใจสบายสมรู้ร่วมโลภเราต้องเปลี่ยเสื่อะรือง